พุทธศาสนิกขาทางฝั่งที่เคารพค่ะได้เวลาที่รู้ธรรมะจากการสังสมสุตะในรายได้กรุณามาพูดให้กับพวกเราได้รับ ค่ะก็เห็นบอกมีคอร์ส 7 ถึง 15 กันยายนค่ะอ๋อเดือนๆนึงก็ผ่านไปเร็ว เรียนศาสนากันหลักสูตรสูงๆอ่ะนะคะอืม 4 คง เอาครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องสรีรตัน 4 ตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไทรนะเมื่อกล่าวแรกตรัสรู้ใหม่ใช่ๆตอนนั้นยังไม่ได้สอนใครเลยนะหลังจากตรัสรู้ใหม่ เออนี่ในแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นหนทางเครื่อง นะ, 4 นะคิดในใจนี่คิด แล้วก็มาอนุอนุโมทนากับพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นแหละพระผู้มีภาคอย่างนั้นแหละพระสุขคตนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ตาม 4 เหมือนกันว่าอย่าง แล้วก็สหัมบดีพรหมนี่ก็มาค่ะแต่ก็ตรัสใช่ตึกตึกนึกไปถึงเรื่องสติปัฏฐานใช่ว่าทําให้อ่าคือพรหมที่อยู่มามายืนยันใช่ นะคะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ล้วนใช้การปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 เพื่อการหลุดพ้นถูกต้องถูก <นะ S 2> <c oughs> เนอะเป็นคือมันไม่เป็นสิ่งที่ควรต้องสงสัยว่าไอ้ ที่ท่านไตรบุญได้พูดว่ามันควรจะถามอย่างอื่นเนี่ยเค้าก็ถามต่อเลยอ่ะค่ะอ่าฮะทีนี้ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าปรินิพพานเนี่ย 12 เดือน ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเอ่อบอกบอกกับท่านพระสารีบุตรตอนนั้นอยู่ที่ป่ามหาวัณณนะบอก 100 ปีสมมุตินะ ก็จะตอบเรื่องสติปัฏฐาน 4 ให้เราให้คนแรกจำไว้คนที่ 2 จำไว้นะคนที่ 3 ถามอีกคำถามไม่ซ้ํากันนะตอบเรื่องสติปัฏฐาน 4 ให้นะ 1 กลับมาถามใหม่เป็นอย่างเงี้ยวนไปวนไป oh, หมายว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสิขาถ้าพูดเองว่า นะ, <ใช> 4 นะตอนสุดท้ายก่อนปรินิพพาน นะ, หม? 4 อย่างเงี้ย ท่านท่านพูดแบบนี้ท่านนับรวมมากเกินไปหรือเปล่าคะเออ 4 นั่นเอง นั่นเราควรจะต้องปฏิบัติตามศีลปฏิตัน 4 อันนี้ๆเลยสําคัญค่ะงั้นเอ่อสําหรับใน ท่านคะทีนี้ใน 7-8 นาทีเท่านั้นเนี่ยนะคะ 4 สามารถที่จะทําให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจได้เลยอ่าในวันนี้ หรือว่ามีประตูเมืองอยู่เมืองชายแดนนะที่เค้ามีกำแพงเมืองอย่างจมูกลิ้นกายและใจของเรานะ เอ่อตามหน่วยงานอะไรที่มันเค้าไฮเทคหน่อยก็จะมีป้ายเป็นที่สแกนเนี่ยนะเหมือนตามโรงไฟฟ้าปึ๊ดปุ๊บเค้าจะขึ้นคอมพิวเตอร์มาเลย เช่นเราระลึกถึงอดีตระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้ว แสดงว่ามันต้องดึงกลับมาจากอะไรนะดึงดึงกลับมาจากอะไรในที่นี้ก็คือไม่ให้จิตๆปฏิบัติง่ายๆก็ ก็บอกว่าเฮ้ยมีกายอยู่ในนี้นะเพราะมันคือธาตุ 4 เหมือนกันนะจิตคุณก็จะออกจากไอ้สิ่งนั้น ถ้าอย่างนี้ดิฉันขออนุญาตสรุปอีกครั้งนึงเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะไปลงสู่รายละเอียดสําหรับใช่ว่าไม่ใช่แค่มีหน้าที่เฉยๆ<ร> ธรรมที่พูดแล้วแม้นานได้ถูกต้องค่ะอ่าและสติเนี่ย ที่จะพูดถึงเรื่องหัวใจกันไปตลอดทั้งสัปดาห์เพลอ 27 อันนี้ทั้งของ มีคารมึกว่าเอ๊ะ 27 ตุลาคมเดี๋ยวดิฉันจะฝาก pega o l l a n t a d k m fl a y a p d e o n s h. p eep a w Graph. h y u p o y o n e r t e o ss a p W h e y v o s s h e r a w h e a d e g o v ba Boon h e m p f a L a y w a u n a y h a d y w h e it b m i g e y o l a y. h a w a d e d w s s a t h y a l ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องลงอืมเค้ามีเอ่อหมายๆวินาทีเลยตลอดเวลานี่ถึงจะดีนะ บอกในใจกันเองก็ได้ในว่าโอ๊ยเมื่อวานระลึกถึงลมหายใจได้ตั้งกี่ครั้งสําหรับวันนี้ก็นมัสการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะเปรมพานค่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะดิฉันสรรสณีนาคพงษ์นะคะแล้วก็ มีอยู่แค่ 2 ส่วนเท่านั้นแต่เป็นส่วนที่สําคัญทุกทุกรายรู้ธรรมแล้วต้องปฏิบัติ เมื่อนั้นทํา FM 106 แห่งนี้นะคะนี้